ท, งทงังคัตโตไอ้เวรยังที่จะทำให้เราได้ปฏิปัติ์ธรรมจักที่เขาเป็นเจ้าทำให้เก็นไป อยู่ที่ชีวิตของเราเลยเราเกี่ยวกับคีวิตของเราอย่างไรที่มันแสดงออกมาเราก็ได้อธิบัตได้ศึกษาได้กระทำว่าเราอยู่กับพวกเราอยู่ที่นี่ เร็นองสายตรงก่อน <c oughs> เข้าถึงตัวปฏิบัติาจะเแียกว่านิ้พานสัสเมพันเตศขี ก, ก, กล้านไตรกัมปฐานนงเทแลข้วพเจ้าจบปฏิบัติเพื่อทำพระที่พานให้แชง นี่ผานนี่จะไม่คุ้นดีังกาสวัางขึตาวาพาเจิ้งครับพระเจ้าอาศัยทาตาสพัสด์นี้อุบายอกปวดเพื่อทำให้ผ่านได้แจ้งมันก็ยังทำาบไปยังอาศัยทากาสวัสดิ์แม้แต่ทบุญให้ทานทว้ยอาหาร ถวายสิ่งของก็เพื่อพระ涅槃เป็นหมายปลายทางที่เราจะไปให้ถึงจะทามำได้อะไรก็เพื่อพระ涅槃อะไรก็เพื่อพระ涅槃ตัวปฏิบัติธรรมที่เป็นหลักฐานการปฏิบัติเช่นไรจึงจะเป็นเชื่อพระ涅槃 บางทีก็ลบว่า น, นิพพานคือเป็นเมืองรัชฐานที่ผู้ไปถึงที่นั่นหรือเราไม่ได้ยินในังว่าทางชื่นเดียวไปผู้เดียวคนเดียวไปถึงที่เดียวกัน เนื้นก็มีที่มีทางมีวัตถุที่รองรับที่นั้น <c oughs> แต่ว่าภาวะที่ต่อมกวาเป็นจริงเราสัผัดดูเป็นเช่นไรนิพพานคือการดบไม่เลยอแห่งทุกทุกเรื่องสิ่งที่เรากำหนดรูได้แล้วอย่างที่เราได้ฟงพระเจ้าแสดงทรรมาจับ เราก็ปดรู้แล้วทุกเหตุเฉียดเป็นทุกข์เราได้ทําให้แจ้งเราได้ทําให้แจ้งแล้วทุกข์เราลาะได้แล้วเหตุเกิดทุกข์เราละได้แล้วแจ้งแล้วไม่มีแท่งตั้งไม่มีแท่งวาคือลักษณะอย่างไรถ้าเป็นตัวปฏิบัติ การที่เราได้เข้าถึงกางปรปฏิบัติที่มีสติเป็นตัวการกระทาสติที่จะไปเห็นสิ่งนี้มัใช่ตาสติเป็นภาวะที่เข้าไปเห็นไปดูนะไปดูไปเห็นอะไรที่มันผ่านมาไม่ใช่สติมันจะเห็นทั้งหมดเพราะสติเนี่ย เป็นหน้าโลกอะไรผ่านมาที่พิเศษสติก็จะเห็นว่ามันเืออหลาเห็นความหลงเห็นความปวดเห็นความทุกข์เห็นความโลภเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจตรงกันข้ามเลยความรู้กับความหลงตรงกันพอดี นี่ตัวปฏิบัติข้ 39, 39. าวเก้าอสังการปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งขึ้นไปมิผ่านมันจฉพาะหน้า <c oughs> เราได้ออกเว้ามันหล่เยอก็ฟหงลง่อย่างไรนิพพานจะงด ง, งามตรงไหนทำทนให้นิพานนแจ้งทาอย่างไรมันหล่ เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเกิดแบบนี้พณิภานเกิดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเมืองที่ไหนเห็นนั้นหลงไม่เป็นผู้หลงก็จะกลมหลงทำพณิภานให้แจ้งึ้นมาเป็นกระเสไปแล้วดั่งแบบนี้ถ้าหลงเห็นหลงบอดไปแล้วพิพานบอดไปแล้วไม่มีแล้ว ถ้่เป็นอย่างนั้นไม่งอกไม่ ง, งามแล้ทุกเป็นทุกนิพพานก็ไม่งอกไม ง, งาโคตรเป็นโกตรนิพพานไม่งอกไม่ ง, งามไม่ได้ไม่ไดทำใม้แย่ไม่ได้สลักคืนไม่มีที่ตั้งไม่มีที่วางจาโผอย่างที่เราสาจยายสูตรคุยเจ้าว่า จาโคปฏิทินเสร็จโคทำให้ไม่มีทำให้ไม่เป็นบบกคือให้มีที่ให้วางคืออะไรคือเห็นไม่เป็นคนจกักรวะที่เป็นนี่คือทำให้ไม่มีมันหลงเห็นอันหลงไม่เป็นผู้หลงจาโค ส่วนหลักคือโ อ, อกาสต้นกำรนิดทำไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ความคิดจะเป็นทุกข์ก็ตามเหมือ น, นกันหมดรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มีปฏิวัติ3มีอาการ12ปฏิวัติ3ามหลงเห็นมันหลงนัน ไม่เป็นผู้หลง2พ้นจาคมหลงสปริวัติส ม, มันโกรธเห็นมันโกรธหนึ่งไม่เป็นผู้โกรธพ้นจาคมโกรธเป็นปริวัติสาเที่ทำให้ทุกหลัากาจเดียวกันในหลักไ้สัจฉ ตามกว่าเป็นจริงยานเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้แสงสว่างเกิดตรงนี้นิพพานเกิดตรงนี้เดินไปก็ได้นิพพานเกิด อ, อย่างนี้ไม่ใช่ว่าอ้อนวอนงงงสาวาเป็นตัวปฏิบัติลงไปให้ทำให้แช้งขึ้นมาอย่าให้หมด ให้มีให้เหลืออย่าให้หมดถ้าหลงไปหลงหมดเรื่อบหมดตัวไม่มีอะไรต่อไปทุกเป็นทุกหมดแล้วบอดแล้มันผลบอดแล้วหมดไปแล้วทุกเป็นทุกบุญก็หมดถ้าเป็นบุญคือสุกสุกทุกเป็นทุกบุญหมดแล้วแต่เห็นมันทุกบุญยังมีอยู่มีบุญ มีบุมีไม่ขาดคุญเหมือนงตาพุทวาว่ะเหมือนกับซักเหมือนกับเงินนั่นแใชสู้ิไลต้องไม่เหลือทำก็เหมือนกันใช้สู้สล่ไปุกไปทุกโดยสู้สลไปถไปถูกการสู้สิ้นล่ได้ที่เสีย อะไต่างๆไม่ไม่ใช่เราจึงทําไม่เหลือเหลือคือให้เป็นอะไรอย่างนันเหลือถ้าเป็นอย่างนันไม่เหลือันไม่โตไม่วอกไมงามันบวชได้จกีวกับกรรมของเรา ตัวปฏิบัติจริงๆมัเป็นการสัมผัสนะไม่ใช่ม่ใช่ผนไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลเาใัยเหตุอรสใช่ผลเาใช้สมองกบคิดอันนั้นไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติตงๆลงไปสติมันไปตงๆไปซื่อสติันเห็น แล้วก็เห็นเราทำยังไงถ้าเป็นสติจริงๆมันจะหลุดพ้นได้เห็นเลยมันก็เห็นงูก็พนจากงูเห็นหลงก็พ้นจากหลงเห็นทุกข์ก็พนจากทุกข์เห็นปัญหาพ้นจากปัญหาสติเป็นอย่างนั้นจริงหร่า ถ้าจะพูดเร่อสติเนี่ยเป็นาชาธรรมเป็นธรรมราชาใหญ่กว่าทุกอย่างก็เป็นมหาสติะยิ่งมีพลังล่าพลังพลังธรรมแล้วเาชาธรรมใหญ่กว่าทุกอย่างเราจึงมีวิธีปฏิบัติที่ ที่ไม่ต้องอาสัยอย่างอื่นวนประกอบที่เราปฏิบัติก็เป็นการแนวร่วมต่อการสติมีความเพียรมีความใสยใจเป็นพละที่สนับสนุนให้สติเปคู่กันเเพื่อนกับวิญญาณธรรมเครื่องมือ โดยเฉพาะกรรมฐานเป็นเครื่องมือช่วยได้ดูแบบไม่มิตทิเกาะที่อาศัยที่ตั้งแห่งการกระทงเท่ากับกรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการกระทําฐานคือที่ตั้งกรรมคือการกระทําตั้งไว้ในกายแต่มันรุดออกไปเกาะที่ตั้งไว้ สติต้องมันใจคือสติต้องหายใจคือสติมันคิดก็คือสติอะไรไม่ตรงกัวการเคลื่อนไหวคือสตินั่นแหละการเคลื่อนไหวของการคือสติการเคลื่อนไหวของความคิดคือสติการเคลื่อนไหวของลมหายใจคือสติการสูบความทุกข์คือสติ มันไม่มีคำ ว, ว่าสุขวะทุกไม่เที่สติมันรู้มันเห็นถ้าไม่มีมากแล้วมันเป็นหน้าโลกยิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งใช้ยิ่งมากรัก๋ยาให้บันรักสั่นในตัวโบราณท่านว่าแต่นี่เราไม่ค่อยเชื่อสติ บางทีก็หลงไปให้หลงเป็นหลงแต่ที่หลงจะเป็นสติหลงเป็นหลงไปเช่แล้วตั้งไม่ติดเลยบางทีมันเคยชินหลงไปนในความคิดหลงไปนในการสองผักความเคยชินต่างๆแต่มัก็ไม่ยากเหลือวิสัยที่เราทำได้ ถ้าทําถูกก็ง่ายเหมืนนอนจิ้งโคกหลงเขา่าก็ทํำถิ่นก็ยากเหมืนนอนจิ้งโคกหลงเขา่าฟังดก็ไม่ยากเนอะเห็นไม่เป็นเนี่ยมันง่ายยังไงก็เห็นเนี่ยมันสะดวกที่สุดถ้าเป็นแล้วมันไม่สะดวกเหมือนจิ้งคกขึ้นเขา่าให้เป็นสุกไม่สะดวกเลยเห็นเหมือนสุกมันสะดวกที่สุดสมควรดีๆให้เรียนผานตัวนี้ การสองผักมันจามีรสชาติรถจย่างนี้มันจิดได้นะรถวระน์ธรรมนะรถท้งปวงเห็นไม่เป็นเนี่ยมันเป็นรถวัฒธรรมแเป็นเนี่ยมันไม่ใช่รถเดิมมันหลายรถเดิมรถที่แท่มีรถเกี่ยวไม่เหมือนรสของรถของโลกฉุก็เป็นรถเจรทุกเป็นรถหนึ่ง ผิดก็เป็นลดหนึ่งสุขก็ูก็เป็นลดหนึ่งได้จะเป็นลุดหนึงเสียก็เป็นลดหนึ่งพอใจก็เป็นลุดหนึ่งไม่พอใจก็เป็นลุดหนึ่งลุดประทรมคือเห็นรูกเนี่ยเป็นลุดเอี่ยวมันสุขเห็นมันสุขเนี่ยรุดประทังแมันทุกข์เห็นันทุกข์เนี่ยคือลุดประธรงมันโกรธเห็นมันโกรธมันโลภเห็นมันโลภมันหลงเห็นมันหลง ฉันพอใจไม่พอใจเพอใจเห็นไม่พอใจอนี่รถพัดเทาแยกชนะรถทั้งพวงกเอาชกไปชกปทุกไปทุกยังไม่เข้าถึงรถพัดเทาสาตเราสังทำราโศินาติตรถพัามยกชนะรถทั้งพวกตผัูดีแย่าย เมีสติเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรมีสติไปคิดไรกับความหลงดูซีมานคิดยิยงอย่างไรความหลงความรู้มันต่างกันอย่างไรมีสติไปคิดเกี่ยว ก, กับความทุกข์ดูซีความทุกข์เป็นไงมีสติรู้เห็นมันทุกข์ย่อมจะจับเลือกได้ <c oughs> ถ้าเราได้สัมผัสดูจะใช้ได้ตลอดห น, นึ่งมันอ่ะมันหนักกันเหนือนเบาการรต่จิตต่อการตาความเบากายคลุตาจิตตขรุตาความหนักการรู้แปลว่าหนักเรารู้แปลว่าเบาถ้าไม่บเบา ไม่มีการชู้ ว, วางลงทิ้งแม่บางทีก็อแม่สอนลูกให้ลูกมันขอหาของพ่อแม่เอาของเสบ่าให้มาแล้วก็สลัดที่งสลัดคืนตู้จัดสลัดคืนไม่ทําแม่ตอนลําบากจะให้เป็นสุขสลัดคืนให้เป็นทุกสลัดคืน การจรลิบเกินเห็นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยมันเลับจึินไม่ใช่เป็นวัตถุสิงของเป็นนามธรรมรวามจบควอมทุกข์ควาโกละทุกขความหลงเถิดัณหาที่เราสาธิตถึงการมาตัณหาพวตตัณหาวิพวตตัณหาเป็นการจฉลิบเึิน มาให้เขาเวให้เรางูหมดแต่แต่ความคิดไป ต, ต่อไปติดเคยใช่มันมันก็เรียนมาสองตาต้อมีวัตถุที่เห็นตาหูก็มีวัตถุจมูกเรื่อกายใจมีวัตถุเราเคยใช้ชีวิตของเราผิดผิดพลาดเออไม่ได้ พอใจไม่พอใจทางที่เราขอเจอพิสูจน์สติในสติฉันผมบอใจในผมไม่พอใจในโลกเสียได้ผมก็เห็นไม่นีไปไหนถ้าเราเห็นอย่านีแน่นอนที่จุด มกผลย้อเกิดขึ้นง่ายๆสำหรับผู้ปฏิบัติแบบนี้แต่ไม่มีใครไม่เห็ น, นคิดไปเห็นมนชิดมีเหมือนกันมาอยู่นี่มัอนกลับไปบ้านสี่ครั้งแล้วไปจะกลับมาได้กลับมาเป็นเราคิดไปกลับมามาตั้งวมจิไกนี้ แล้วก็ตอบได้มันสิ่งที่เขาเป็นเองเขาก็ถามในสิ่งที่เขามีเขาเป็น แ, แ, แล้วมีซดแต่ลูกไหมเขากล่ลูกกรัมมาได้ไหมกรัมมาได้หบางทีมันง่วงทำยงไงตายเทวดาอดแค้ได้ถ้ามั น, มนมง่วงตั้งต้นไหม บางทีทสร้างใช้ว่า <c oughs> เ่ินไหวสู้ผมงไม่ได้เาราจุกขึ้นเดินมมเดือบกลมเดินจะกลงดู่มันยังง่วงอยู่จะไม่ตามากวนอะไรเจก๊กน้อยเค็ดต่างประตูท่านั่งอยู่ในสติเอาความรู้สึกไปเก็บเข้าจับของจับหน่อยได้ว่า อันหล่งข่มผมไม่เรียกว่าถ้าคมไม่อยู่ออกไปแต่ทางขระวิมุตข่มไว้ม่ขำขนาดไม่ขำแต่พะพิมุตออกไป สมุทรเขตตะวิมุตย์ทำไมไม่มีแ้่เจงก็ทาให้หมดาปถ้าไม่เจงกออกไปก่อนตะวิมุตมีส า, ามลักษณะควหลุดพ้นจากคโกรธความหลุ้นจาวงงควาหลุพ้นจากหลงให้าหาหาสามลักษณะอย่าหง ง, งงผมไวเอากรไม้ถามผมไว้ ก็คก็มาอยู่เพียงจะหลับอยู่ออกไปก่อนการออกไปไม่ใช่ไมใช่ลุกหนีไปกระไรอาจารย์คิดเอาไปดูอยอดไม้ต้นไม้ยุท่องกว่าดูการกระไรทิศเหนื อ, อที่ใต้ออกไปเชก่อนหรือว่าออกไปทุกทวดอารดู นนเป็นลูกอั น, นี้เป็นนามนี่เป็นจิตนี่เป็นกายเคลื่อนไหวนับดูว่าสีจังะอันนี้ก็ยกมือขึ้นไปตรงมือก็ได้เอ ก, อกปลุกนกลุกเ บ, บีไปเดี๋ยวขึ้นเด้วสูงขึ้นสูบ้ยันพ่เจ้ามือใจขอหน้าเลย้ายพ่เจ้า ไปทำแบบนี้มาชีน้ i ยก็อาจจะอาจจะทำใจได้ t a ไรต้ n งมองให้ไ้นยิ่งมันออกมาชีออกมาตอนหมดใจแล้ แจางละสมุดเข็ดตาทำให้หมดไปง่ายง่ายมันหลงรู้มันง่วงรู้รเห็นมันง่วงไม่เป็นผูง่วงสมุดเข็ดตาไปหมดมมตามหลักอิสัทสิทุกคนหลงรู้แล้วแต่มุทยทำให้แจงเรา สมุทัยธรรมะเจ้าไม่ใช่สมุทัยเห็นแล้วในรูปธรรมะเจ้ามักทำให้ม า, มาหลงมากประจวบลงอันหนึ่งรูปอนหนึออ่งอะไรที่เราสวดเจนะเราจะไปกบ ดูได้เราได้ดูแล้วสมุดไทยเรอยได้แล้วนีโลูกทำไม้แ้งแล้วมักทำให้มากทำให้เจดริญแล้วมักคือแรงขอ้อปฏิบัติมักคือดูนี่แหละมัน มักไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปาสัมมาาวาสัมมาว่าสัมมาสัมมาชีวะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่ใช่ผองแบบนั้มักคือดูว่านี่แหละดูแเห็นน่เห็นแล้วไม่เป็นนั่นเพ่าะจากาวที่เป็นน่ะมันอยู่ในตัวดูอันเดียวกันเลยมักทาให้มาก สิ่งที่มันมีมากย่อมชนะของที่มันไม่มาก น, าน้ำ น, น้อยไม่หนามากน้ำต่งมากมันย่อมชนะฝ่ายความหลงมันมีมากควารู้มีน้อยเอาเจนไปยามดูมันดูไกลขึ้นไปให้มันมากขึ้นมากขึ้นอะเนี่ยไม่ต้องไปว่อนวอนอะไรไม่ต้องไปแช่ตรงไหนก็หย่อนรู้ไว้เพื่อให้ได้ใช้นันหลง รู้ไม่เสีอไปไหนควมคหลงไม่ได้ทำไให้กมไม่หลงเสืยไปถ้าหลงเป็นหลงคงมไม่หลงคนมไม่โม้ความไม่โ ม, ม่ง ม, มม ง, มมมงมงันอ่ะมันก็มีอย่างนี้วิธีปฏิบัติเที่ยวทำกันอยู่เนีเมือนเราเก็บเงินเก็บทองถ้าไม่ใช่มันก็เหลือถ้าใช่มันก็ไม่เหลือ ลอยเหลือมันจึงดีกว่าลอยลบทั้งแต่บุญบุญ ไ, ไม่เหลือทั้งแต่功德ดีความดีไม่เหลือไม่เหลือตรงไหนบุญมันไม่เหลือตรงไหนไม่เหลือตรงที่มันหลงตรงที่มันโกรธเมื่อมีบุญถ้าบุญเหลือเราจะไม่หลงจะไม่โกรธจะไม่ทุกข์บุญคือความสุขบุญคือใจดี บุญคือใจดีบุญคือเอ็มคืออิ่มบุญคือเต็มเต็มใจสุขใจดีใจสิที่มาทําให้บุญหมดไปคือพวาไม่ดีคือความโกรธความโลภความหลงบุญมันก็หมดไปถ้าหลงไปหลงบุญหมดไปและโกรธเป็นโกรธบุญหมดไปและวถ้าหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงถ้าโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธมันยังมีอยู่ ยังมีบุญอยู่บุญก็ต่อบุญเรื่อยๆไปแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจตรงนี้นะี่ยบุญมันหมดไม่แต่ บ, บาปเกิดขึ้นมาใช่เป็นคูน่กันแล้ดีครับเหมือนคนจนเหมือนมีชักจากชักมีเงินล้นหนึง่งใช่แบบคนมีเงินเงินล้นหนึง่งใช่แบบเฉตี เงินล้อยหนึ่งใช้แบบคนจนใช่อย่างไรเศรีกินเข้าวสองกิบาทอิ่มใช้แบบเศีใช้แบบคนจนรอยหนึ่งจินรอยหนึ่งหมดมันเหลือล่ะกินข้าอิ่แล้วล้อยกินแบกเศรษฐีอ กินข้าวกินหนึ่งสองสิบาทกินแบบคนจนเลยไม่ใช่กินแบบเศรษฐีเงินกินอิ่มสามสิบบาทเหลือเงินเจดสิบบาทกินแบบคนจนเงินร้อยหน่งกินร้อยหน่งหมดไม่เหลืออะไรเลยมันสุกมันมาสุกหมดเลยมันทุกเป็นผทุกข์มันสุกเป็นผู้สุกมันทุกเป็นผูทุกข์ขมกกหมดไปแล้ว ใช่เห็นเนี่ยมันจะเหลือก็เป็นมหาสติมีขึ้นตรงนี้แหละนะเดีเห็นตรงนี้มีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นขยันตรงนี้แหละไม่มีการงานชอบก็ไหลตรงกับมีสติเห็นมันหลงเปลี่นหลงเป็นไม่หลงงานชอบที่สุดเป็นการงานชอบเป็นการตัดส่องชอบเป็นความกับป็นชอบ เป็นความเกลียนชอบเป็นความตั้งต่ชอบอยู่ในกุ๊บเดียวทั้งหมดเลยถ้ามีสติเนะี่ชอบไปหมดเลยอยู่โดยชอบไลยเนี่ยมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผูหลงเอามาอยู่นี่เด้มันมีอะไรไม่เห็นมันไม่เกินไปกับมันมันอยู่ตรงนี้แหละเอ้าแรกอยู่รยตรงนี้แหละข้ามภูเขาข้ามตรงนี้แหละไม่ใจอ้อนผิดอันถูกฮ ไม่เอความชอบมันชอบบางทีเราปฏิวัติลงไปอะไรมันผิดอะไรมันถูกแบบนี่เราไม่ชอบแบบไี่เราชอบพรนั่นมันเนิ่นชาผิดเป็นผิดกาไม่สกัดนิขาดโขโพถูกเป็นถูกสุเป็นสุทุกเป็นทุกเป็นกาม่สกัดนิยาทุกขโพกาไมสกัดนุานิโขโขเป็น ของชาวบ้านเป็นของต่ำสามอัฐิขีพนาโยโกเป็นของสุดโ ต, โตรงต้องรำงานทำไมลำบากเห็นผิดไม่อยากให้มันผิดทำไมธธมันจึงผิดอัฐิขีพนานโยโกอยากให้มันถูกกนะามันสขันนีการโยโก ลเลาม่สุกราสุกเราไม่ถูกตักนี่เป็นทางสุดตรงทางตันไป ไ, ได้มัชเชมาปฏิปทาคือมรคือดูเน่ยมรกคือดูคือเห็นเนี่ยมรคก็ได้หั่งนัชเชมาปฏิปทาเป็นทางผ่านได้ทีเวดวน กระทำไม่มีข้องแวะแค่สุกมันข้องแวะถ้าทุกข์มันข้องแวะพอใจอั้องแวไม่พอจมันก็ข้องแวะเห็นมันต้องพอใจเห็นตั้งควมไม่พอใจไม่ได้ข้องแวบบะไปตรงไปยนะแต่ทีว่าตรงคือทำอย่างนี้แหละมันจะตรงตรงที่มันไม่ตรง มือนแม่น้ำเหมือนน้ำที่มันไหลน้ำไม่ได้น้ำไม่ดโคตเขี้ยวเหมือนแม่น้ำน้ำมันตรงอยู่แต่แม่น้ำมันโคตเขี้ยวสติก็เหมือนกันเหมือนกับน้ำนั่นแหละมันสุกมันก็เห็นมันสุกไงตรงไปอย่างนี้มันทุกเห็นมันทุกไปอย่างนี้มันตรงแบบเนี้สัจจานสติเนี่ย ถ้ามันสุกมัสุกทุบมันทุบมันกดเคี่ยวไปมันก็ถึงเงินชาวิธีปฏิบัติมันเป็นความชอบที่สุดเลยนะอยู่โดยชอบที่สุดทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่ด้วยชอบโลกจะไม่ว่างแต่พอลหาันก็ออยู่แบบนี้แหละไม่ใช่อยู่สมุโตไม่ใช่อยู่ บ้านไม่ใช่อยู่ที่โล่งที่โดรุ่มที่ดอนที่ป่าที่บ้านที่เมืองไม่ใช่อยู่โดยชอบจะมีสตดิดูมันเห็นมันน่ยจึงเป็นสมบัติในชีวิตของเราแท่ๆการทำปฏิบัติธรระเสดายเสียดายคนที่มีคนที่เป็นทุกข์แม้บางทีก็ยังนั่งตาไหลสอนธรรมะอยู่นั่งตาไหลยังคิด ดึงลงมาก็ยังไม่ออกฉันเป็นอย่างน้ฉันเป็นอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่ได้สมความตั้งใจทํทำดีก็ไม่ค่อยได้ดีทำดีกับคนก็ทำให้ฉนทุกท์ทำดีมากช่วยทุกอย่างทำทุกอย่างก็ดีไม่ได้ฉนทุ ก, กท์พก็รกะทําความดีก็มย่าไป เต้ไปก็มาชั่วล้อทพุตตะเวดีทาไปใจไม่คิดแต่อันชั่วล้อไม่ทําดีทําไปแตใจไม่ไมติดให้ไปคือผีทำดีกับคนก็ทําไปับดีกับสิ่งของอะไรก็ทําไปไม่เลียยนล อ, อความดีกันของของตนถึงออกมาก็จะไม่ไม่ยอมเศร้าโศกเสียใจ ก็พูดไปหูดไปนั่นนันออกมาแลยออกมาออกมาอย่าเข้าไปเราพูดไปเด้งออกมปนั่นอย่าไปอย่าไปไปนะเห็นมันออกมาออกมาก็โอ้รู้แล้วโอ้รู้แล้วอืมอจจะยอนี้ได้ฮักน้ำผ้าเขียกโอนที่จะเป็นะได้แล้ว มันนี่เป็นเลหนูวัเนี่ยมันเครียดตรงก้อคิดมากง่วก็ง่วงเครียดตอบแต่นี้ไม่ได้กรรมถานมักกรรมถานตอบแตบนี่ไป่ได้หลองก็บอกว่าให้เห็นมันทุกอยากอยาเต็มไปกับมันมันเครียดเห็นมันเครียดเคยได้ยินไหมวันหลงเห็นมาหลงมาโกรธเห็นมาโกรธเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอ่ะ ตอกไม่เอาแบบนี้แต่อตอกยังไงมันเครียดจริงๆมันคิดมากตอกใหม่เอาใหมา่แล้วก็วันนี้เห็นมันเครียดตอกจริงๆออกมาจากคนคิดจริงจริงออกมาจาความเห็นจีงิงจริงไหมหรือว่า ตอนนี <c oughs> er now, ้หนูเห็นมันเทียบจริงไหมบาดังจะยังไหมตอนนี้หนูเมันเทียบจริงไหมจริงนนี้หนูเห็นมันเคียไม่เป็นกูเครียเห็นมันเรียดงหมโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เวลาที่มันเครียดถามที่แรกหน้าบูดูดหน้านกะพริกระเทียบพอบอกพอถามไปทาไมวันนี้นูเห็นมันเครียดตอบให้ฟังสามตอบจริงๆเนะออกมาจากหัวใจจินะหนูเห็นมันเครียดห น, น, นูเห็นมันเครียดดูก็หน้าตาเองเองที่อกเออใ่เออเาอเออนี่คือเออคืออะไรวิปัญนา วิปัญชนาก็เลยคุย้มบางอ๋ออ๋ออ๋โอ้โอโอโอเลยถ้าแนี่กับเบาะลงแก่ต่างเขาพ้นภาวะเดินได้มันจะมีวิปัญนาตรงนี้วิปัญนาตรงนี้ตรงที่มันหลมันรู้วิปัญนามันทุกข์มันรู้มันเครียดมันรู้มันเห็นเนี่ยวิปัญนา มันเกิดอย่างนี้มีปัจฉนาไม่ใช่การร้อนวดรว่าจะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดเกิดจากภาวะที่มันเป็นวันนี่หนูเห็นมันเครียดวันนี้หนูเห็นมันเครียดตอบให้ความสักสามคำออกมาจากใจได้จริง น, นะอะไรแบบโอ้ผมก็มีความโอ้ขึ้นมา มีไหมมันเป็นอย่างนี้บ้างไหมเราทำไมแจ้งตรงนี้ไหมยานเกิดขึ้นแล้วจะเรามีบ้างไหมปัญญาเกิดเึ้นแลจะเราตรงนี้ไหมเสียงที่างเกิดขึ้นแล้วจะเราตรงนี้ไหมนิพพานเกิดขึ้นแล้วจะเราตรงนี้ไหมนิพพานทีมลงจากความเครียดเบาลงไม่มีความเครียดความเครียดหมดไปเย็นลง พลังเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วในทำในทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ทํามาแต่ก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเกิดจะใครเกิดจากกากระทาเลือกปฏิบัติปฏิบัติยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนมันมันหลงเปลี่ยนไม่หลงไปไปสูงๆแบบนี้ก่อน มันทุกเปลี่ยนไม่ทุกมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธมันพอใจเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันให้มันลูกขึ้นมาเปลี่ยนมันเรียปฏิบัติจะง่ายถ้าตปล่อยให้มันเป็นแล้วมันก็จะต้องอาศัยห ล, หลายๆอย่าง <c oughs> บางทีก็หลังกัดชิ่งเปลือกมา น, นั่งเกียดนั่งเศร้าอยู่นั่งง่อนั่ง ง, ง, งอนอยู่ บางทีก็อาศัยกันเลยมิตรัวเที่ยวกันเพื่อนกันได้วเราบาเชิ่งแหลนี้เราก็ไม่รู้ไม่มี่างที่ไปอย่างรู้ใครเห็น ล, นลกักษณะล้วก็ถามถ้าไม่ถามก็มาถามกันบ้างโตจะช่วยกันให้หลงคิดหลงทางได้ปฏิบัติเนี่ย จึงจำเป็นบ้างกัรรีออยนมิตรถึนเพื่อนเป็นมิตรกันมีอะไรก็มาถามได้เพราะการเหินการอยู่คุยกันได้ไม่สมว น, นลิขิธอะไรเรจึงเพื่อให้สะดวในการปฏิบัติธรรมแต่จะอาศัยแต่คนอื่นเราไมอาศัยตัวเองกับความมันใช่ไหมามันหลง อย่าล่วนไปถามใครทำดูก่อนบางทีผมหลงเฉยเฉยได้บางปีผมไม่หลงได้เหมลนลุงตาไปแสดงทํรที่ไต้หวันเราตั้งกล้อง ม, มาแบบนี้กล้องพีดีโอเลยสองโมงตอนเที่ยงจบผมก็บอกันว่าอา๋อคนที่หนึ่งถามดูสิ ในตอนอะไรถามเราพูดว่ลองพูอพูดไปหมดแล้วอ๋อที่สองถามดีสิลองพูดพูดหมดแล้วมันมีคำถามถามใครทั้งสองคนมัมีคำถามบางทีการที่จะถามการคิดมาถามกับเห็นมาถามมันจะต่างกัน อันคิดมาถามตอบได้วงเมีประโยชน์แต่เห็นมาถามตอบมันมันเป็นการสองผั้นเ <c oughs> ช่นมันง่วงมันเครียด ม, มันเป็นแล้วมันนี้หนูเครียดงง่วง่นมันไม่ไมไ่คิดมาถามมันเป็นเขางุ่วงี่เขเครียดที่เด็กเมาถามเรา แต่นี่นะว่ามันเป็นมาราตอกได้ถ้าคิดมารานไม่จบไม่สิ้นเราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันจึเป็นของศักดิ์สิเป็นของตั้งต้นจากตัวเราเนี่ยแหละนี่ก็ อ, อาศัยการพูดการช่บอกกันหรวงพ่อเทียนเคยบอกรู้ึชื่อ มันสุกัจสุกันทุกข์มันจะทุกข์บางทีมันก็สุกบางทีมันก็ทุกข์ว่มันจะสุกมันได้อารมณ์มันจะสุกคนที่เรียนเราก็เทียนบอกจะหลงในควาสุกเวลาบา่ทีมันทุกข์แ่หลงในความทุกข์ก็เลยจะดวกเอาคาสอนหลวงพ่อผู้วาจามาบอกเว้ว่ามันจะหลงเราอาใช้การฟัง หลวงพเทียนพูดตอนเช้าตอนเย็นสิ่งใดที่เรามีเราก็เทียนพูกดถูกกับเราสิ่งใดที e. ่เรามันมีเรางพ่อเทียนพูดก็ไม่ถูกกับเราเราก็ทําสิ่งที่ไม่เป็นการส่งท้อเทียนพูดว่ามันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงทําเป็นไหมมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธทาเป็นไหม มันทุกไมเป็นผู้ทุกให ม, มันทุกเข้มมันทุกไมเป็นผู้ทุกทำเป็นไหมก็ทํำไปทำไปเฮมันมีความทุกมคนความคิดเป็นความทุกมนความชิดเป็นความสุขทั้งหมดเกณฑ์เดียวเลยหมดเป็นสะดวกทำเป็นไม่ใช่มันรูกการสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเองการสอนลูกคนอื่นสอนให้ แต่มันไม่เริง่ความรู้รว่าทุกมันไม่ดีแต่เริ่มทุกรู้ว่าโกรธมันไม่ดีเริ่มโกรธเขาเห็นเหมือนโกรธไม่เป็นรูกโกรธพ่นจ่ากรมโกรธทาเกงอย่าง น, นี้ทำเป็นอย่างนี้มาเกเดิดรัณนแบบนี้นะการเปลก็เพราะกั้นตอนเช้ตอนเยนพูีัยนบา่ายได้เล็ก น, น้อยกว่าสมควรเจร้วลาสามข่าสามสองสา